เรื่องที่สองพระอรหันต์สิ้นชีวิตแล้วเป็นอย่างไรปัญหาสำคัญที่มักหนีไม่พ้นเมื่อพูดเรื่องนิพพานคือพระอรหันต์สิ้นชีพแล้วเป็นอย่างไรหรือว่าผู้บรรลุนิพพานตายแล้วเป็นอย่างไรยังมีอยู่ต่อไปหรือไม่ดังนี้เป็นตน้นความจริงปัญหาอย่างนี้ก็วนเวียนอยู่กับเรื่องอัตตนั่นเองกล่าวคือ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 จะทําให้มองคําตอบหรือคําชี้แจงเอียงไปนะสุดข้างใดข้างหนึ่งเสมอคือถ้าไม่เป็นศัตตตทิฏฐิคือมองเห็นนิพพานเป็นความเที่ยงแท้ยั่งยืนของอัตตาก็ต้องเป็นอุดเฉต ท, ทิฏฐิคือมองเป็นความขาดศูนย์ของอัตตาซึ่งไม่ถูกต้องทั้งสองอย่างพวกที่ถือความเห็นขาดศูนย์ก็มองนิพพานเป็นความขาดศูนย์เข้ากับความเห็นของพวกตนซึ่งมองได้ค่อนข้างง่ายเพราะพุทธศาสนา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 พอพูดถึงนิพานก็จึงได้โอกาสเนียวเอานิพานเป็นที่พึ่งที่ฝากอัตตาเอาไว้บ้างก็ขยายนิพานเป็นชีวิตนิรันดรตลอดจนเป็นมหานครเหมืองแก้วท่านผู้ประเสริฐมีปัญญาเลิศทั้งหลายแม้ว่าจะผ่านพ้นความยึดติดถือมั่นอะไรอะไรมามากมายจวนจะหมดอยู่แล้วก็มาติดเยื่อใยสุดท้ายกันอยู่ที่นี้หากพ้นใยขายนี้ไปได้ก็จะเป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์ แต่ทางธรรมก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกินท่านจึงเรียกความยึดติดอย่างละเอียดนี้ว่าเป็นพรมชาละแปลว่าคายดักพรมหรือที่ติดข้องของบุคคลชั้นเลิศคือผู้มีคุณธรรมและปัญญายวดยิ่งแล้วยังไม่อาจรอดพ้นไปได้ด้วยเหตุนี้เพื่อผ่อนเบาความหมกมุ่นครุ่นคิดในการหาความจริงเกี่ยวกับนิพพานโดยเชิงเหตุผลและการถกเถียงแบบปรัชญา